พระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับใครให้นับถือปล่อยให้เป็นไปตามปฏิยาสายของผู้จะนับถือเองแต่ด้วยความโง่ความฉลาดก็เป็นเรื่องของคนนั้น ไม่ได้บังคับบัญชาให้นับถือวางไม่เป็นกังกลาแต่พุทธศาสนาหรือศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเรารับยอมรับนับถือแล้วหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนามีอย่างไรที่นี่ ก็ต้องไดบังคับตัวเองเข้าสู่หลักคำอสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ไม่ใช่ศาสนาบังคับเราแต่เราบังคับตนเข้าสู่ศาสนาเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเราต้องการผลอย่างไรเหตุที่ควรแก่ผลนั้ น, น, น เราจะต้องทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่การบังคับนั้นบังคับในตอนนี้หลักครามจริงแล้วก็ก็คือเราบังคับเราเข้าสู่หลักธรรมหลักวินยัยไม่เช่นนั้นก็เป็นการทำลายตัวเองแต่ว่าทำลายศาสนาทำลายหลักธรรมหลักวินยัยก็ หลักธรรมหลักวินัยนั้นท่านมีไว้แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดใครจะเหยียบย่ําทําลายอะไรทำก็เป็นธรรมวินัยก็เป็นวินยัยไม่เลยเชื่อมศูนย์หรือสาบศูนย์อันตราธานไปไหนคงเส้นคงวาอยู่ด้วยความจริงของหลักธรรมหลักวินยัยแต่ผู้เสียหายก็คือผู้ทําลายใครเป็นผู้ทําผู้นั้นก็เป็นผู้เสียหาย เมื่อทำในทางไม่ดีขัดแย้งต่อหลักทำหลักวิ น, นัยก็ชื่อว่าขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามคือทางเดินอันราบรื่นของตนเมื่อเช่นเพ่นนั้นเราจะตาหนิผู้ใดเช่นทางมีอยู่ทางนี้ไปสู่จุดหมายนั่นนั้นจนกระทั่งจุดหมายปลายทางเราต้องการจักถึงบ้านใดจุดใด หรือจุดหมายปลายทางเราจ้องดำเนินตนบังคับเราให้ไปตามทางสายนั้นเพื่อสู่จุดนั้นนั้นและสู่จุดหมายปลายทางเมื่อตนได้ปลีกแวจากทางนั้นด้วยความเข้าใจของตนว่าถูกต้องดีงามว่าสะดวกสบายไปเสียไม่คํานึง ถึงว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างเอาความต้องการความเข้าใจของตนเป็นหัวหน้าแล้วก้าวเดินไปตามความต้องการและความเข้าใจของตนนั้นเมื่อผิดจากที่หมายคือผิดทางไปแล้วและไม่ถึงจุดที่ต้องการนั้นเราจะตำหนิอะไรก็รต้องตำหนิตัวของเรา เพราะเราไม่บังคับเราไปสูตรสายทางหรือไปตามสายทางที่ถูกต้องนั้นนั้นนี่เป็นความปิดของเราห ล, หลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา้าเป็นแนวทางชี้บอกถึงการดาเนินของผู้ปฏิบัติให้มีความคลวอคล่วปลอดภัยและถึงจุดหมายโดยลำดับจงกระถึง ทั้งถึงจุดหมายปลายทางโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าผิดถ้าลงได้ก้าเดินตามหลักสวดขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องบังคับก็บังคับตอนนี้แต่ส่วนมากเข้าใจว่าศาสนาบังคับความจริงศาสนาไม่ได้บังคับแต่ผู้ต้องการความสุขความเจริญ ตามจุดหมายแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้แล้วนั้นต่างหากเป็นผู้จะต้องบังคับตนเองนี่เราทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมหลักวินั ย, ยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักบวชโดยสมบูรณ์แล้วตามขั้นสมบุติ์แห่งความเป็นพระของเรามีอุปชาอาจารย์ใครจะบวชในนิกายใดก็ตามนั่นขึ้นชื่อือว่าถูกต้องแล้วตามสมมุติ ท่านรับรองกันโดยสังคมยอมรับกันแล้วว่าถูกต้องคือถูกต้องตามหลักธรรมหลักมิไหนนั่นแหละสังคมยอมรับที่จงนั้นเมื่อบวชแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชด้วยกันการปฏิบัติตนตามหน้าที่ตามเพศของนักบวชนั้น <g uss> เป็นหน้าที่ ข, ของนักบวชไม่ว่านิกายใดก็ตาม จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทำหลักวินัยแห่งความเป็นนักบวชของตนยอมไม่เป็นสักขาวรมักขาวรคือไม่เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลผนิพพานนี่เราข้างหลายก็ได้บวชแล้วโดยสมบูรณ์แห่งในความเป็นพระและในหลักแห่งสาคุลนิยมและทำวินัยยอมรับแล้ว จะปฏิบัติหรือบังคับตนอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้หนักแน่นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเหตุใดเพราะสิ่งอื่นเหล่านั้นไม่มีความจําเป็นไม่เป็นภาระที่เราจะต้องแบกต้องหามต้องสัมผัสสัมพันธ์ได้รับความทุกข์ความลําบากยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ภายในของเหล่านี้ พูดเรื่องยับยัก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความหิวความกระหายความอยากหลับอยากนอนอันเป็นไปตามเรื่องของขันนี้โลกของเขาโลกเขาก็มี ท, ทั่วไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับธาตุกับ ข, ขันนี้แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธาตุศึกภายในที่เรียกเรียกว่ากิเลสสมารคอยทําลายเราบีบคั้นบังคับกดขี่เราอยู่ตลอดเวลานี้ เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากปวดเปลืองคิดปวดเปลืองอยู่เสมอจะนอนใจในอียาบทใดอียาบทหนึ่งหรือในสถานที่ใดที่หนึ่งนั้นไม่เหมาะสมกับผู้ที่กำลังมีภาระอันหนักเหยียบย่มทําลายตนอยู่เวลานี้จะต้องเปลืองภาระที่เป็นผลให้ได้แบกได้ขามอยู่เวลานี้ และเหตุที่จะทำให้รุ่มหลงติดพันอันเป็นความที่จะไหลามาแห่งภาระคือความทุกข์ความลำบากนี่ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจด้วยความภาคเปลี่ยนของตนธรรมศาสาธนธรรมนั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วธรรมแท้มีอยู่ที่ใจสำหรับผู้บงเพ็ญเกิดได้ที่ใจ สัมผัสรับรู้ได้ที่ใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเครื่องอื่นใดในอวัยวะของเราจะเป็นผู้สัมผัสรับธรรมแท้คือธรรมอย่างแท้จริงนั้นได้ถนัดชัดเจนตระจัดเหมือนใจเลยตาเห็นรูปก็ต้องตีความหมายเข้ามาเป็นธรรมเพื่อจะเข้าสู่ธรรมันแท้จริงภายในจิตใจรูปเสียงป่นลดเครื่องสัมผัส ที่จะพึงรับทราบด้วยตาหูจมูกเล้ยงกายและตีความหมายไปทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นเป็นอีกเนี่ยนี่เราพูดเนี่ยจะเพาะเงี่ยแก้เง่ยขายเน่ยถอดถอนต้องได้เพิก ไ, ได้ถอนต้องได้พินิจพิจารณา <c oughs> เพื่อสิ่งปิดบังหุ่มห่อทั้งหลายเหล่านี้จะได้เพิกถอนตัวออกไปจางออกไปโดยลาดับจิตใจจะได้รับกระแสแห่งธรรมในเบื้องตน้นจนกว่าจะได รับทำแท้ภ า, ายในจิตใจของตนเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปทำแท้กตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมนี้เป็นธรรมแท้จะพึงสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงอย่าพากันคาดหมายว่าทำอยู่บนฟ้าอยู่อากาศอยู่ต้นไม้ภูเขาอยู่กับผู้คนหญิงชายใดๆนอกจากอยู่กับจิตแต่และดวงละดวงของผู้ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมเข้าสู่ใจเท่านั้นธรรมไม่มีที่สถิตให้เห็นปรากฏชัดเลยแม้จะมีอยู่กับโลกดินแดนนี้มาตลอดตัดตลอดกันก็ตามก็เหมือนกับธรรมไม่มีเช่นเดียวกับคนตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นสีสันวันถนะหรือสีแสงต่างๆได้ด้วยตาของตนเสียงดินรถเครื่องน้ำผัด ก็เหมือนกันถ้าลงตาหูจมูกลิ้ยงกายวิการเสียเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสสัมพั์จีงกระปรากฏเป็นความหมายขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้งกายแล้วเข้าสู่ใจธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมะแท้อยู่ที่ใจธรรมแท้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนแต่ใจเวลานี้ยังไม่เหมาะสมกับ ทำขั้นต่างๆที่ควรจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์หรือสถิตยอยู่ได้เพราะมีสิ่งที่เป็นค่าศีล ต, ต่อากันจีดขวางหรือขั้นกลางไว้หมดภายใจิตใจรอบด้านเราทราบไหมว่าครางกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ครางกิเลสไม่ได้อยู่ในคัมภีร์บาลานไม่ได้อยู่ตามตำหลับตาลาไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาในน้าบนบกที่ไหน กิเลสไม่มีไม่ใช่ครั้งกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสถานที่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะเป็นที่สถิตหรือเป็นที่อยู่แห่งกิเลสได้เหมือนจิตใจซึ่งเป็นครั้งกิเลสอันใหญ่หลวงนี้เลยนี่คือครั้งกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เมื่อครั้งกิเลสมีอยู่ที่ตรงไหนตัวนั้นหรือที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ก่อทุกข์กอความลําบากรลำบุญ กวาดตาบุให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเรื่อยมาจกนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สุดจุดหมายปลายทางได้เลยเพราะครังกิเลสต้องผิดตัวอยู่เสมอไม่มีคำว่าว่างกิเลสไม่เคยว่างในการทํางานนอกจากขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเลยจึงเรียกว่าครังกิเลสอยู่ที่ใจ นี่เราพูดแต่ครั้งแห่งธรรมหรือที่อยู่แห่งธรรมที่เกิดแห่งธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องพูดเรื่องของกิเลสว่ามีมีอยู่ในสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นเหล่านั้นเป็นชื่อของกิเลสท่านจดจารึกไว้ในกำพือนบาลานตํนักตลํลามากน้อยพระสูตรภายในพระประมาตรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นชื่อเป็นนามของบาปของ บุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสอันหาสวะอาสวะของมรรคนิพพานเป็นชื่อทั้งนั้นไม่ใช่ตัวจริงทำเหล่านั้นท่านชี้เข้ามาสู่จิตใจท่านไม่ชี้เข้าไปที่อื่นนั่นแหละคือแบบแปนแผ่นถังชี้เข้ามาที่นี่ให้ปฏิบัติกรรจัด ก, กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในกิเลสท่านกขาบอกว่ามีอยู่ภายในจิตนี้เนาะทำที่จะมาแก้กิเลสก็แก้อยู่ที่จิตนี้เพระนาะฉะนั้นจิตจริงเป็นสิ่งสําคัญมาก ซึ่งแบกหามกิเลสเป็นพาชิาชนะกิเลสอันสกรปรกโสมมมาเป็นเวลานานเราทำไมจึงจะมีความสนิทติดจมกับกิเลสไปไม่มีวันเห็นโทษเห็นภัยกันบ้างเลย ท, ทั้งที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงอยู่แล้วทำไมจริงจะต้องนอนใจความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรนอนใจแล้วเหรอแม้แต่ดอกไฟกระเด็น มาถูกเราเพียงนิดเดียวก็กระโดโดโลดเต้นแล้วท่าความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยอํานาจของไฟเพียงเท่านั้นยิ่งจะปล่อยให้ไฟไหม้หมดทั้งกองจนไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นเท่าเป็นฐานหมดทั้งตัวนั้นเป็นความเจริญรุ่งเรืองสุขีแล้วเหรอเจึงจะมีความเคยชินติดจมอยู่กับทุกซึ่งฝังจมอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนี้ไม่ยอมผอดยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษของพันของมันแล้วตื่นเต้นในทางความภาคเพียง นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากเวลานี้ค่าสึกเต็มอยู่ที่หัวใจนี้ยาเข้าใจว่าไปอยู่ที่โลกดินแดนใดๆดดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีค่าสึกตัวเกิดก็คือใจดวงนี้แหละตัวฝังพิษอยู่ในตนพาให้เกิดพิษของมันก็คืออวิชาปฏิยาสร้างขารานี่เป็นบรมจกักรพัชดูภายในนี้หรือวัดกษัตริย์วัตจักรคือตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุที่จะให้เกิดทุกทั้งมวลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนไหนที่เต็มไปในแดนโลกธาตุนี้มีตั้งแต่ตัวนี้เท่านั้นเป็นผู้แผ่กระจายขยายอํานาจออกไปให้สัตว์ทั้งหลายโด้เกิดไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ทุ่สูงต่ำต่ำลุ่มดอนไม่มีว่าดินฟ้าอากาศที่ไหนไหนเกิดได้ทั้งนั้นอำนาจอันนี้แผ่กระจายไปมากทีเดียวเพราะ ความฉะลาดความแหลมคมความละเอียดละ อ, อของสิ่งเหล่านี้ซึ่งควรเป็นจ้ามหน้าครองโลกได้นั่นแหละธาตุโลกทั้งหลายจริงไม่สามารถอาจเอื้อมไม่รู้กลมายาของมันแม้จะแสดงออกมาหยับหยาบก็ไม่รู้เพราะเป็นกลมายาที่แยบคลายของมันเองคําว่าหยาบหยาบต้องเป็นธรรมเท่านั้นจะบประจับได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเป็นเครื่องทดสอบแล้วยาบก็ไม่รู้ เราจะพูดถึงขั้นละเอียดของกิเลสตัญหาอาสวะนั่นเลยที่กล่าวมาทั้งมวล น, นี้ฝังอยู่ที่ จ, จิตใจของเราของท่านของสัตว์ของบุคคลทุกปราการไม่มีเวน้นเว้นเฉพาะพระรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่มีท่านจริงเป็นผู้โล่งโถงเป็นอิสระเป็นตัวตลอดอากาลิโก ไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอิริยบทไม่มีสิ่งใดมากวนใจเพราะท่านกําจัดฟัดเวี่ยงกับสิ่งนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจหมดแล้วเรียกว่าหมดแล้วซึ่งพิษอันตะกอให้เกิดทุกทั้งโมงไม่มีเหลือแล้วภายในใจมเราทั้งหลายตังหนาต่งตางๆมาประพฤติปฏิบัติอย่ามีความเคยชินกับสถานที่อันจะเป็น การแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสนี้แหลมคมมากคุ้นเคยกับอะไรนั่นแหลคือความคุ้นเคยกับกิเลสสนิทกับกิเลสจมกับอยู่กับกิเลสแล้วกับคุ้นเคยกับสถานที่สนิทกับสถานที่เพื่อนฝูงหรือสิ่งใดก็ตามถ้าคําว่าเป็นความสนิทแล้วเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโดยมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมนอกจากผู้มีธรรมคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นจะทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสและเป็นธรรมได้อย่างชัดเจนโดยลำดับธรรดาไม่สงสัยนี่แหละภาระในโลกนี้เราไม่ได้เคยแบกแผ่นดินให้หนักภูเขาทั้งลูกเราก็ไม่เคยแบกเคยหามพอจะทราบว่ามันหนักขนาดไหน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราเคยแบกไป ห, หามบ้างเท่าที่อยู่ในวิสัยกำลังวังช้างเราจะแบกได้เมื่อนหนักมากไปเราก็ปรงลงได้แต่หนักเรื่องกองทุกหนักเพราะกิเลสตัณหาอสุวะทุกประเภทที่บรรจุเต็มอยู่ภายใจิตใจนี้หาที่ปรงที่วางไม่ได้จึงรี้กประคังของกิเลสมีอยู่ที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรนอนใจปราดท่านไม่พาให้นอนใจ เราเป็นลูกศิษย์ของปราดทําไมจึงนอนใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้องค์อาจกระหาญเชีช่ยวชาญเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นโลกรวิทูของโลกเป็นจอมปราดการแนะนําสั่งสอนสัตวงโลกแต่ละบทละบาทออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเครือบแฝงแบ่งปันเอาเลยเป็นธรรมล้วนๆออกมานี่คือกระแสแห่งธรรมของของพระองคเองไม่ใช่ธรรมแท้ ทำแท้ได้แก่วิสุทธิธรรมทรงแสดงอาการออกมาให้เราทั้งหลายได้ยึดได้คว้าได้ประพฤติปฏิบัตินํามากําจัดต่อสู้กับพิเดียซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ภายในาจิตใจนี้ให้สิ้นไปบรันเล็กแตน้อยจนกระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปหมดจากธรรมของพระพุทธเจ้ากระแสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงควรคำหนึ่งเสมอเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่ออย่างถึงใจบังคับจิตใจของตราในตอนนี้ อย่าเข้าใจว่าศาสนามาบังคับจะเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรตำหนิติดโทษศาสนาว่าไม่ดีไม่ดีเรื่องที่บังคับนี่ก็เพราะเหตุว่าจิตของเรานั้นเป็นสม่มัิอันล้นค่าถูกกิเลสครองและเกียบย่มทําลายต่อหน้า ต, ต่อตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกภพทุกชาติเรวยมาแม้เราจะทราบมาได้แต่ก่อนก็ตามแต่ขณะนี้เราพอจะทราบได้แล้วด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจา้าจึงควรนามาพิสูจน์ พิจารนาแยกแยะต่อสู้กันอเพื่อชิงชัยชนะเอาสมบัติอันล้นค่านี้เข้ามาครองเป็นใจที่บริสุทธิ์อื ม, มหาสมบัติตรงนี้จึงต้องมีการต่อสู้กันบังคับบัญชากันการบังคับบัญชา ก, ก็เหมือนบังคบับทับนั่นเองอต่อสู้กิเลสซึ่งเป็นกองทับอันหนึง่งกองทับทาได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรก็บังคับมันเข้าไปเพื่อต่อสู้กับข้าศึกให้ได้ชัยชนะ คลองหัวใจอันบริสุธดพุดโทโธขึ้นมาทั้งดวงพันในจิตใจนี้จึงจําเป็นต้องบังคับกันอย่างเป็นสติกําลังความสามารถไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันนี่ชื่อว่าเป็นนักรบตามทางศาสดาถ้าดําเนินอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องถามและอันเรื่องพบเรื่องทราบอยู่ที่ไหนจะทราบกันไปโดยลําดับตั้งแต่ขั้นสมาธินี้ เมื่อจิตมีความสงบตัวเข้าไปมากน้อยจะโหดตัวเข้ามาให้เห็นเด่นชัดว่านี่คือจุดแห่งผู้รู้นี่คือจุดแห่งความสงบนี่คือจุดแห่งความสุขนี่คือจุดแห่งความเย็นใจนี่คือจุดแห่งความโปร่งวางลงได้บ้างแล้วบรรดาภาระทั้งหลายที่กระวนแบกอยู่ด้วยความกวนกระวายสายแสงได้ปร่งวางลงบ้างแล้วนี่เริ่มสร้างไปตั้งแต่บัดนี้เมื่อได้ พยายามต่อสู้กันด้วยการบังคับปัญชาทับของตนเข้าสู่แนวรบคือตัวฆ่าศึกทั้งหลายได้แก่กิเลสซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันคือดวงใจนั้นไม่หยุดไม่ถอยแล้วสมาธิต้องรู้จับพ้นมือไปไม่ได้เพราะทมบ่งบอกอยู่แล้วเข็มทิศไปตรงนั้นวิริยะเพื่อความสงบ อดทนเพื่อความสงบสติปัญญาบาังคับเข้าไปเพื่อความสงบทําไมจิตจะสงบไม่ได้กิเลสต่างหากเพื่อให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่ทำเพื่อให้ฟุ้งซ่านพาให้ฟุ้งซ่านพาให้ทุกข์พาให้ลําบากการเรื่องทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องทุกข์ทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นต่างหากเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดความลําบากร้อยรัทธิพันใน จ, ใจิตใจหาเวลาปลงวางเวลาถอดถอนกันไม่ได้เลย ส่วนทุกข์ทางความภาคเพียร น, นี้พอหยุดเมื่อไหรก่ก็ความทุกข์นี้ก็หายไปเมื่อนั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจึงไม่เป็นของลำบากยิ่งกว่าทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาเราจึงไม่ควรอิจฉาละอาใจแต่ส่วนมากมีแต่กิเลสมันอสอดแทรกเข้ามาให้มาเกิดความอิจนาละอาใจในการที่จะต่อสู้กับมันกลัวว่าจะเป็นทุกข์เป็นความลำบากลําบ่นต้นมีวิสนาน้อยมีสติปัญญาน้อยบ้างเวลานอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นพูดไม่เห็นคำหนึงกับสิ่งเหล่านี้เลย จะไม่เรียกว่าเสียเปรียบกิเลสจะเสียอะไรนักธรรมะไปเสียเปรียบกิเลสมีมันเลวร้ายที่สุดเราไม่ควรจะเป็นผู้เลวร้ายในการปฏิบัติธรรมจึงต้องรู้กลมายาของกิเลสไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ยาชินยาเคยยาสนิทกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทําให้สนิทติดใจยอยู่ได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมา นอกจากมีความสนิทติดใจกับสิ่งใดแล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตนเองเท่านั้นเราจรึงไม่ควรที่จะสนิทติดจมกับสิ่งใดไม่ว่าอาหารการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ฮีบ อ, อเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบิณฑบาตอาหารการบริโภคจึงต้องระมัดระวังเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้พอเยียวยาธาตุขันให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรให้เดิมมักได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของตนเท่านั้นไม่ใช่ อีวอจะเป็นมากเป็นผลไม่ใช่อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างอาหารวันทาวะเร็ดอร่อยเหล่านั้นจะเป็นมากเป็นผลเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสหลุดพ้นขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่า น, นี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันพอยังทีวิเทศเป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรถอดถอนกิเลสต่างหาการถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรต่างหาจะเกิดมากผลนิพพานขึ้นมาไม่ใช่เพราะการกินอยู่ปูวายเพราะความเหลือเฟือความพุ่งเฟอ้อเหิมความหลงรสหลงชาตในสิ่งต่างๆ จะพาให้ถอดถอนกิเลสนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมายขึ้นพนายใ จ, จิตใจแล้วก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็จะหกล้มค ล, ลุกคลาดเพราะความฟุ่งเฟอเ้อเหินจากนั้นแล้วก็ความสับสนงงงานง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียดขี้คลานเต็มไปหมดพายใ จ, จิตใจเมื่อบรรจุสิ่ง น, นี้เข้าไปมากๆเป็นอย่างนั้นนี่ได้เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้พอดียังลุตเตือนหมู่เพื่อนมีน้าช้ํายังต้องได้ ทำเป็นตัวอย่างให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้ระลึกเช่นบ้างรว่าเป็นอย่างไรการดําเนินปฏิบัติของครูบาอาจารย์แม้เราไม่เห็นครั้งพุทธการคือพระพุทธเจ้าและสาวกาที่ทรงพดำเนินและดําเนินมาก็ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นก็ควรเป็นตัวอย่างแล้วอย่างสมบูรณ์เราไม่มีที่สงสัยในปฏิวัติรรมของท่านและท่านดําเนินอย่างไรยังแนะนําปฏิบัติของท่านมาแสดงให้เราทั้งหลาย ผู้ไม่เห็นองค์ท่านไม่เห็นปฏิบัติของท่านได้ยึดได้ถือได้เป็นกติเครื่องตัวใจเช่นการความเป็นอยู่ป่วายท่านดูอย่างง่ายงอยู่อย่างสบายมากทีเดียวไม่เป็นกังวลบุ่นวา ก, กับเจตุปัจจัยทยายาทัคือปัจจัยทั้งสี่ฮีวานบินธมาศได้อะไรมาฉันเท่านั้นแหะไม่เป็นกังวลอะไรเลยนล้วอาหารวันคราวส่วนมากตามปกติของ บ้านของเมืองเขาอยู่ในป่าอาหารก็เป็นอาหารป่าอยู่ที่ไหนอาหารเป็นประเภทนั้นๆขึ้นมาท่านไม่ตื่นเต้นท่านไม่สนใจเพราะท่านรู้รอบหมดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องเดียวยาเท่านั้นให้ได้ยังอัตราภาพครองชีวิตไปด้วยความภาคเพียนอันนาบลื่นดีงามนั่นจึงต้องมีความอดความอิ่มบ้างสําหรับนักปฏิบัติถต่จะมีแต่ความเหลือเฟือเลยดังที่เห็นอยู่นี้นั้นหาทางทางที่เกิดทําได้ยาก เพราะเราก็ไม่เคยเด้กอักรากดทรรมในขณะหรือในเวลาหรือสถานที่ที่สมบูรณ์ภูนผลโดยจะตุปัจจัยทยงานทั้งสี่นี้เลยส่วนมากส่วนมากต่อมามีแต่เจรินทางด้านจิตใจไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาไม่ว่าขั้นใดๆแห่งธรรมด้วยความอดอยากขาดแคลนไปทั้งนั้นเห็นตบาทมาไม่ได้อะไรมีแต่ ข้าวเปล่าชั้นลงไปแล้วเป็นยังไงพอยังชีวิตให้เป็ีนไปก็เราเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อการดัดันดานตัวเองเพราะมันลิ้นยาวท้องใหญ่ท้องโตมีมากกินมากกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอลกลายเป็นเรื่องกินด้วยกิเลสตัณหาอะเลสอร่อยให้ลดแห่งอาหารเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดทำให้ไม่เหลือพลัจิตใจเมืเ่อไปนั้นจึงต้องสลัดวิธีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ อยู่เรื่อยพิษแพงเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงชื่อว่าการปฏิบัติธรรมด้วยสติปัญญาเมื่อมีแต่อาหารเปล่าๆกินแล้วเป็นยังไงตัวก็เบานั่งสมาธิตรงแนวไม่มีความโงกเห่าแนหนอนเดินจง ก, กรมก็ตัวปริวไปเลยนะไม่ใช่ว่าจะมีเข้าเปล่าอยู่นั้นตลอดไปมีสับมีเปลี่ยนมีอดมียาขาดแคลนสมบูรบ้างเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากขาดแคลนเพราะหาที่เช่นนั้นนี่ผู้ปฏิบัติ และจิตใจมีความเจริญเพราะที่เช่นนั้นอาหารประเภทนั้นเพราะความอุยากขาดแคลนเช่นนั้นจิตใจมีความเจริญหมุนไปทางสมาธิก็ลงอย่างสงบแน่วและะเอียดมากผิดจันหมุนไปทางปัญญาก็คร่งตัวความหงเหงอนอนนี้ไม่มีท่านพูดได้อดอาหารแล้วรู้เองเพียงแต่อาหารไม่ ไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็ไม่งอกว่วงแล้วยิ่งอดอาหารไปสักสองสามวันไปแล้วความว่วงๆมันจะมาจากไหนนอนหลับงี่บเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาแต่ก็มีแต่เวลาประกอบความภาคเพียงสติก็ดีปัญญาก็คล่องตัวทันกับเหตุการณ์นี่คือสถานที่เหมาะสมปัจจัยที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อผู้สังสมกิเลสพอที่จะมาพอกพูนสิ่งเหล่านี้ให้เต็มพุงแต่ทํานั้นแห้งผ่าภรรยาจิตใจใช้ไม่ได้เลย ทั้งหลายจงพินิจพิจารณาไว้ลูกศิษยถาโคตท่านเดินอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอืมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกุดุมผี พ, พ่อค้าประชาช น, นคนธรรมดาเมื่อท่านเสด็จท่านออกจากสกุลของท่านแล้วจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนท่านไม่คำหนึ่งเพราะท่านเคยแล้วกับสิ่งนั้นอันเป็นเรื่องโรคล้นล้วนเข้าสู่ธรรมแดนกองธรรมท่านเป็นยังไงท่าดําเนินยังไงท่านยินดีดําเนินตามแดนแห่งธรรมนั้น เมื่อเป็นเฉะนั้นท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นสนนาณะของพวกเราทั้งหลายให้กราบไหว้บูชาหนี้ไม่ใช่ท่านผู้เหลือเฟือแต่ท่านเหลือฟื้นท่านสมบูรณ์เต็มที่ในปฏิปทาของท่านไม่ใช่ท่านสมบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยธาตทั้งสีแล้วได้ทํามาสั่งสอนพวกเราให้พากันคิดตรงนี้ไว้ให้มากย่าตื่นเต้นกับสิ่งใดๆในโลกนี้เพียงเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นหลักใหญ่คือธรรม แทงลงไปยิ่เหลีมันจะทนหอกทนหลาทนศาสตราอาวุธคือทาประเภทต่างๆได้หรอือให้เรารู้ครั้งศาสตราานั้นทมอาวุธปราบปรามยิเลียแหลกแตกกระจายไปหมดพระพุทธเจ้าก็ดีสา ว, วก็ดีมาครั้งนี้ทาเป็นประทประเภทเดียวกันทำไมจึงทำลายกิเลสยไม่ลงไม่ใช่แบบทำไวให้หนักตัวเฉยเหรอือ ถ้านำมาใช้ทำต้องเป็นประโยชน์เป็นอาวุธที่จะต่อสู้กิเลสได้อย่างทันสมัยเช่นเดียวกับข้ามพุทธ ก, กาลค้า่ามัชชิ ม, มาก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หดมัชชิ ม, มาประเภทใดกับกิเลสประเภทใดจะเหมาะสมกันกิเลสประเภทที่ผาดโผนที่ดื้อด้านที่สุดต้องเอามัชชิ ม, มาประเทศ ประเภทที่ทา้าเหตอดทนต่อสู้กันฟาดเบี่ยงกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงเท้าเข้าถูบบ่อนแล้วถอยไม่ได้ฟาดกันลงให้กิเลสไม่หงายเอาเราจะหงายก็หงายที่เมื่อตายอยู่ในเวทีตายอยู่ในสงครามแล้วไม่เสียหายอะไรไอตายเพราะกิเลสเหยียดย่าทําลายเขาศกอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินด น, น, นั้งนอนทั้งท้งีิชีวิตยังมีอยู่ยยนี่สิมันน่าอับอายตัวเอง เอาให้จริงนักปฏิบัติเอาให้เห็นทีครั้งอย่างทําพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วอย่างแท้จริงทําแต่ละบทละบาทที่ทรงสอนไวนั้นเหมือนพระองค์ประทานด้วยพระโอร์เองจริงๆไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยเลยแต่ก่อนเป็นอีกอย่างหนึ่งในทุกวันนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ใครจะมาบ้า ก, ก็ฟังแต่ไม่ยอมแก้ไขบ้าแบบนี้เอาเป็นไปเถอะว่างั้น ที่พระองค์ตรัสกับพระอานุนว่าทําได้วินัยนั่นแหละจะเป็นศาดสดรศาสดาแทนเราจถากดเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วไม่ถึงใจญีเดียวให้เดินตามนั้นนี่หน้านี่นะ่านะเหมือนพระองค์ที่บอกอยู่ให้อย่างนี้นะ่ะอย่างนี้นะ่ะวิริเยนะลูกธรรมเจตินั่นเหมือนคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรหนานะไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความเกียดคร้านความอ่อนแอหนาะ ความโทแท้เร็วไหลไม่เป็นประโยชน์นะนั้นเป็นเรงของกิเลสหนาะเหมือนพระองค์บอกอย่างมิจฉาจารยู่นี้ความเพียรในทางที่ชอบเท่านั้นความมุสาพยายามความบึกบืนความอดความทนความมีสติตั้งตัวอยู่เสมอเพื่อระวังกับกิเลสต่อสู้กิเลสพิณิพิจนาอยู่ด้วยปัญญากรรจากกิเลสอยู่ด้วยสติปัญญานี่นาะ <c oughs> ที่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสจะตายด้วย ความเพียรเหล่านี้ตายด้วยธรรมเหล่านี้ไม่ได้ตายด้วยสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเช่นความขี้เกียจที่ค้านอ่อนแอทอแท้เหลวไหลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดอย่านํามาใช้ในวงของผู้จะข้ากิเลสถ้าขัดกรรมกับธรรมให้จริงให้จริงนะักปฏิบัติการขบการฉันน้ําร้อนน้ำชาก็าเป็นเพียงเครื่องเดียวยาเมื่อต้องการใครองไหนต้องการจะฉันเมื่อฉันแล้วไปอย่ามามั่วมาสมกันนะ ดูทิศทางความเพียร น, นุ่นเหมาะเดินมาก็ให้มีความเพียรมามีสติมานั่งฉันน้ำร้อนน้ำชา็ให้มีสติอยู่ในนั้นชื่อว่าประกอบความเพียร น, นั้นความไม่จำเป็นคำใดไม่พูดให้ดูจิตต่างคนต่างดูต่างคนต่างมีค่าศึกต่างคนต่างรบค่าศึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันเป็นผู้มีสติมีปัญญาคล้องตัวอยู่เสมอนี่แหละคือผู้ปฏิบัติจะกาจัดกิเลสอกจากจจใจ ขอให้กิเลสออกจากใจเรืิจะผิดกันมากน้อยเพียงไรกับกิเลสที่ฝังจนอยู่พายในใจในความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างความเป็นอยู่เวลานี้ยังดีกว่าความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบเราจะเป็นยังไงต่อไงแต่ยังไงก็ตามให้เพึ่อทราบว่ากิเลสต้องบีบบังคับให้เกิดทุกข์เรื่อยมาท่านจึงกล่าวว่าดูขั้นนาถิอัฏฐะชาตาาัสสะทุกไม่เกิดทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นอะไรพาให้เกิดก็คือกิเลส เกิดก็คือเกิดทุกข์นั่นแหละพร้อมกันไปในขณะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายพบใหม่พบเก่ามันก็คือพบเกิดพบตายพบที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาหามความทุกข์ไปกับความเกิดความตายนั่นแหละเราสงสัยที่ไหนพบชาติความเกิดจะไปเกิดนั่นเกิดนี้เกิดที่ไหนก็เหมือนว่าไปแบกทุกข์นั้นแบกทุกข์นี้แบบที่นั่นที่นี่มันต้องปล่อนั่นเลยสลัดออกเสียโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในยใ จ, ใจิตใจเป็นอิสระเซรโ ร, ต เ, ซรเตเสรีเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะอืมไม่มีคําว่าพลาดการสถานที่เวลาเวลาทั้งความเป็นความตายไม่ได้หนักใจเบาใจกับสิ่งใดเพราะสิ่งล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลอิจดดวงที่บริสุทธิ์พ้นแล้วจากส ม, มุติทั้งหลายไปเกี่ยวข้องกันด้วยความกังวลวุ่นวายหาอะไรอืมท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่คนโง่าราบตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเช่นนั้น นี่คือผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอารินเอาจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอื่นเป็นนิดเท่านั้นแหละเอาให้จริงให้จัิงนักปฏิบัติพูดไปพูดไปเหนื่อยอ่ะอาแค่ น, นี้ท่านปัญญาเพื่อนสื่อขายสะดวกสวายเขาไม่ได้มันบิบบังคับผู้ดันทุกทางเนี่ยถ้าอยู่้วกันมากๆนี่ก็ไม่สะดวกในความเปลี่ยน มผมก็ได้อย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมถ้าเห็นม่เป็นลึกมีหลักเลยได้ไปอยูไปลําพังนี้ไม่ในเรื่องอผมเคยแล้วอืมมันเหมือน่านไฟล่ะถ้าไฟมีมันก็ดำปี่มืเสียถ้าไฟมีมันก็แดงโล่เผาตัวเองมือเสียอะดาปีมันก็เผาอะแดงโล่มันก็เผาอย่างไรคําว่าดาปี่ก็คือดําดําถ่านไฟจิตใจดําปีก็มีแต่ไฟแดงโล่ไฟกิเลศแดงโล่ที่ถ้าเราจะเทียบว่า ไปสองชนิดก็ชนิดที่ว่าหนึ่งก็จะเรียกว่าแดงโลก่ก็ถูกจะเรียกว่าดำปีก็ถูกแต่มันก็รอดด้วยกันคุณตัวจิเลศไม่ทำ ใ, ใครให้เย็นเนี่ยนี่น่าเข็ด น, น้าหลาเอมพความดุร้านหน้าของจิเลศนั่นหม่มันเหมือนเป็นนักโทษที่เขาถูกเขาควบคุมโบยตีอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเห็นอีกแล้ว มีแ ง, ง่ความสะดวกสบายพอเป็นคู่แข่งกันนั่นก็หมายว่เกิดมาก็เกิดกับฟองทุกวันนี้ก็อยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขอะไรที่จะมาแทรเข้ามาพอให้เห็นกมันทุกข์มากน้อยมันก็ไม่ไมไมเศร้าจะไปยังไงก็ไม่รู้ได้ก็ได้แต่ช่วงขณะผิดเดียวที่ภาวนา เรียกว่าจิตสงบของแปะอาจารย์ก็ยิ้มใส่แล้วไม่เลื่อมเสียทั้งปีสามปีจนจืดยังกันหดแล้วทีมาทามันเป็นอีกมันก็ได้แค่นั้นมันไม่มันไม่ยังถาวรเป็นนานเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมันนานหนี่งก็ให้ทรงลดทรชัตไปนานนี่มาเสื่อมแล้วไม่มีอะไรไม่แต่เืิ่แต่ไปก็โหยยังกองทุกษ ไม่มีทุกได้ ย, ยิ่งกว่าทุกข์กิจเพราะกิจเสื่อมนาว่แต่ก่อนกระทุกเขาไม่เห็นอมโากเมื่อเวลกิจเสื่อมมันทุกข์จริงๆมัถึงขนาดที่ว่ามันจะเสื่อมนี่ไมาได้เสื่อมอีกต้องตายเท่านั้นจะทนทุกข์อีกไม่ได้แล้วนอกจากตายจะเสียนมันถึงฟาดเป็นอย่างเต็มเหนี่ยผมจะแน่ใจว่ากิจไม่เสื่อมเธอมันก็ไม่เคยได้นอนใจนี่แต่มัน จะขเยะขเยื้อเพไปเรื่อยความระวังจิเกืือวน้อยลงไปนีกบความขาเยขยื้อพือนามันก็ไม่มันในน้อยไม่ได้น้อ ย, น, อยนั่ น, น, นคือความพยายามมันหลุดออกจากอน า, านาจที่มันเสียเปอนการสบายวันได้ขึ้นในปีได้เดือนในเวลาได้นั่นถึงกันนะ่ะความรู้อย่งางนั้นมันมีแรมากยุ่งมากกว่านี้แต่ อายชนะสัมผัสสัมพันธ์รู้ยิบยับยยับยัยบไปแต่แบบนั้นมันมีแตเพีนงธาตุลมขันเวทนากับทุกขเวทนาแต่ไเป็นภายใกา ย, ยาเสียจะเข้าไปหลั่งแจลั่งความปรไปบีบบังคับจิตใจให้เป็นถึงนไฟไปเ ร, รื่อยกันมหมือนกันก่อนมันก็มีเสียมันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เราบังคับนะมันเป็นเองรู้เองความเป็นเองรู้เองเห็นเองมันจะไม่ชัดได้ยังไงอ่านั้นขึ้กล้าพูด ในสิ่งที่ปรากฏแล้วกล้าพูดถ้าไม่ปรากฏเอาอะไรมาพูดมแม้เราไม่ได้เป็นอรา ห, ารอราหารันต์นก็ตามยังกล้าพูดไปถึงขั้นอราหันต์ท่านนูได้กล้าพูดเรื่องนี้พระหันไม่มีเวทนาว่างี้นั่นกล้าอ่าเรื่องหนัด น, นั้นยังกล้ากล้าบ้ากล้าบอยไปแล้วแต่พินาเอาวินามาจากไหนน่น เบตนาเป็นถุมไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าเราจะพูดออกมากอย่างยาวๆเบตนันเป็นสมงมุดนี่กิดเป็นมุดเอาเข้าก็ได้ยังไงเนี่ยเราแยกมาเนี่ยทำใม้แยกมันก็ลู้อยู่ในระดับธรรมชาติอนันอยู่แล้วนั่นแล้วอะไรจะไปเหยียบมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์ว่าพูดไป น, นั้นมีจะผิดที่ตรงไหนไม่ยอมแนะหมอบราบอยนี้พระอาจารย์มาองมายืนนิพพานให้ดูนั่งนิพพานให้ดูบ้างน้อนนิพพานให้ดูบ้าง เดินที้ไปให้ดูบ้างสี่ท่าก็ห้าท่าทำไมทำทำไมได้เออท่านไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกบังคับขันไม่มได้ไม่ได้ของมมุดแล้วขันดีใ้ดีมุดไมุดีมดุดดูพ้นไปแล้วจากขันขันมาบังคับได้ไมันทนไม่ไหวมันก็ลงของมันาตายลงไปทัวเองอย่าไปบีบบังคับจิตทองท่านเลยเป็นเอียงไปฮะไป่ไปได้ไ เป็นธรรมนิมิตถามไม่ตรากดกระจ้าของมันก็เถียงมันยังข้าคนตาบอดมันเถียงติ่งนะอโมห mm. ันก็เกินที่คุยที่โม้ก็อยู่กับคนตาบอดนั่นแหละคนโงมม่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย ต, ตัวไม่เคยเห็นเห็นอัดเห็นธรรมทีนี้ไม่ทราบว่าทำเป็นไงก็ความโง่เข้าไป ลบล้างไปหมดลบล้างหมดเหมือนคนตามบอดเอาความตะหวานตัวไปลบล้างความตาดีของเขาไปหมดคนรำคาญเขาก็ไม่เขาไม่พูดแล้วกขฟังเขารู้ว่าบ้าแล้วใครจะมารู้วตาบอดบ้าทำลายไขนาดอะไรมาีคนโง่งก็บ้าทําลายอยู่โดยดีแล้วหลาอะไรก็ตามแต่ตก็มีคนเดีจะเหยียบยีในหัวแล้วปราดทั้งหลายท่านไม่ได้ว่าคนฉลาดเลย ดีดออกจากมันได้ตอนไหนตอนไหนนั้นหนาขนาดแง่นั่นแง่นั้นเลยไปแล้วถ้าดีดออกจากกิเลสได้แง่ยไหนแง่ใดในมุมใดช่องไหนนั่นนะความถลัดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วจึงหลุดไปได้จึงหลุดไปได้เอาจนจนกิเลสหมอบราบแล้วฉลาดจอมเป็นจิตแต่ท่านไม่สําคัญบางูงค์างศาสนาท่านัเป็นไม้เพราะนี้ขึ้นเรื่องสมุทของโลกอีกพันหนึ่งเหมือนกันท่านเคยหมายไปกี่พันอะไรอืม อย่างว่าถ้าเป็นพาาระอรหันต์นั้นมีเศษอย่างนี้ท่านก็ไม่ว่า อ, อ, อยู่ตามความจริงเท่านั้นแหละเศษมันก็มาเป็นขึ้นภารกิจพูดได้ทางนั้นนะคนุณเนาหรือว่าทาอยู่กับจิตอยู่ที่นัยน์นาวิสัยของจิตเท่านั้นโอเคทราบธรรมขั้นต่างๆมีมุติธรรม ไม่มีอะไรแล้วตาม ย, ายืนยันหน้มีจิต ด, ดวงเดียวกัอนอันนี้ก็อรรถไม่พูดมาเดี๋ยวมันจะกลม่อมอีกคุณรูปมันเป็นบ้ากันนั่นเอ